ปีพุทธศักราช2532เป็นต้นมาพรรษาที่44จนถึงปัจจุบันท่านจำพรรษาที่วัดประชาคมบรนารามบ้านสีสมเด็จตำบลโพทองอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2540การก่อสร้างกำแพงล้อมรอบองค์พระมหาเจดีชัยมงคลได้เริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อบูชาคุนลง้งปุษยในวันที่3พฤษภาคม พุทธศักราช2546ซึ่งตรงกับวันครบอายุ86ปีให้กำแพงแห่งศรัทธาที่สานุสิมีต่อองค์ท่านภายในกำแพงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมของผู้สแสวงบุญเป็นสถานที่พักนอนเป็นที่เดินตากอากาศเดินชมวิวทิวทัศน์รอบๆองค์พระมหาเจดีย์และภายในกำแพงมีห้องน้าห้องสุขานอกกนี้ยังใช้เป็นโรงทานและโรงครัวในบางโอกาสที่มีกิจกรรม ตัวกำแพงมีความสูง5เมตรกว้าง4เมตรสร้างด้วยคอนกรีตรเสริมเหล็กยาว 3,500 เมตรพระอาจารย์ทองอินกะตาปุญโญประธานอำนวยการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลได้นำคณะศิษยานุสิ์ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคารวดเลยรวมพลังสามัคคีก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันทุกๆคนได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ กำลังสติปัญญากําลังทุนทรัพย์อย่างเต็มความสามารถทำงานโดยไม่เห็นจะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนอกจากกําแพงแล้วพระเจดีหินวัดป่ากรุงก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ศรีมหาวีโรนาวัดประชาคมวนารามโดยจาลองมาจากเจดีบุโรพุทโธประเทศอินโดนีเซียพระอาจารย์ทองอินกตปุญโยพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสาขา วัดประชาคมวนารามตลอดจนคณะสิทธยาดุสิ์ได้พร้อมใจร่วมกันสร้างพระเจดีย์หินวัดป่ากรุงขึ้นเพื่อเป็นการบูชาคุณแด่องค์หลวงปูศ่ศรีมหาวีโรโดยใช้เห็นทรายธรรมชาติก่อสร้างแกะสลักเรื่องราวพระพุทธเ จ, จ้าและลวดลายทั้งภายนอกและภายในของพระเจดีย์เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ห้ามีนาคมพุทธศักราช2547งบประมาณในการก่อสร้าง100ล้านบาทขนาดความสูง าาเมตรกว้าง4ีเมตรมีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1ใช้เป็นที่ประกอบพิธีสังฆกรรมและเป็นที่ประชุมสงฆ์ชั้นที่สองเป็นพิพิธภัณฑ์และประวัติของหลวงปู่ศรีมหาวีโรชั้นที่สบรรจุพระพุทธรูปพระงพ์ของศักศิษ์ต่างๆที่ผู้มิกิจศธาบริจาคยอดพระเจดีหินทำเป็นสเวตชัตรดทองคำแท้น้ำหนัก101บาทภายนอกชั้นที่1กําหนดให้เป็นภาพจะสลกหินธรรมชาติ ในเรื่องพระเวสสันดรชาดกภายนอกชั้นที่สองกำหนดให้เป็นภาพแจกสลักหินธรรมชาติเรื่องพุทธประวัติภายนอกชั้นที่สามกำหนดให้เป็นภาพแจกสลักหินธรรมชาติเรื่องพระพุทธชัยมงคล